ลูกหลานของหลวงพ่อองค์นั้นเพราะว่าท่านมาบวชตอนแก่พอหลวงพ่อท่านหลวงพ่ อ, องนั้นท่านต่อไปหลวงพ่อคำเกียนท่านก็แยง้งก็ค้านนะพูดให้มันตรงข้ามหรือสวนทา ง, งความเป็นจริงพาะรูปนั้นก็เถียงนะพยายามชี้แจงเนะถียงไปเถียงมามือที่ติดหน้าโอมก็ตกนะตกแล้วก็ยังไม่รู้นะ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 พาไปสอนพารูกนั้นคือหลวงพ่อเพ่งท่านก็เกิดความสำคัญม้านมาท่านเป็นผู้ศักดิ์สร็จแล้วนะวิปัสสนูหลวงพ่อก็ต้องนำมาแก้อารมณ์นะจนคลายบางคนก็เป็นคารวะนะเป็นคารวาดเป็นคนที่มีเป็นคนเก่งนะทำอะไรก็สำเร็จนะเป็นครู ทำอะไรก็สําเร็จมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงปฏิบัติธรรมก็หวังความสําเร็จมากก็ตั้งใจปฏิบัติเสร็จแล้วเกิดวิปัสสนะู๋คิดว่าตัวเองนี่นะเป็นแล้วบรรลุธรรมแล้วมายืนเดินไปเดินมาอยู่บนสะพาน ล, ลอยทั้งคืนเลยนะตำรวจก็เรียกให้ลงมาเพราะเข้าจาคงเป็นคนบ้าน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 ดินมันแข็งมากนั่พาไปขุดซ่วมหลวงพ่อก็ขุดด้วยนะโยมนี่ก็ขุดด้วยขุดไปได้ซักเม็ดหนึ่งนะก็บอกวา่าตรงนี้ไม่ดีมาเปลี่ยนที่ขุดดีกว่าก็ใช้วิธีนี้แล้วขุดไปขุดมาก็เห ง, งื่อก็โซมแล้วเหนื่อยพอเหนื่อยนี่มันก็ออกจากอารมณ์ได้กลับมาเป็นปกติอันนี้ได้อา่านรู็ก็เห็นวิธีการนะ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 มันเป็นสุดตรงอีกทางหนึ่งก่อนมาปฏิบัตินี่ก็เผลอปล่อยใจลอย น, นี่ก็เป็นสุดตรงทางหนึ่งพอมาปฏิบัตินี่ก็รู้ว่าการปล่อยใจลอยส่งจิตออกนอกไม่ดีก็พยายามที่บังคับจิตไม่ให้ฟุง้งไม่ให้ลอยก็เลยกลายเป็นเพ่งไปหรือบางทีก็ไปดักไปดักเฝ้าดูความคิดดูว่ามันจะออกมาเมื่อไหร่ไอความคิดเนี่ย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 มันก็เลยมันก็เลยหลบนะให้ตัวความคิดมันหลบในนะเพราะว่าอ่ามันรอเรามารอทีเผลอพอเราเผลอเมื่อไหร่นะเช่นตอนง่วงตอนจะหลับเนี่ยมันก็พรั้งโผู่ออกมาผู้ย่าันคือเป็นกดมันเอาไว้พอกดเนี่ยอะไรก็ตามที่เรากดมันเอาไว้เนี่ยมันไม่หายไปหรอกมันก็รอวันที่จะโผล่มาอันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันนะของคนที่เพ่งนะเพ่งเท้าเพ่งมือนะ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 มันเป็นวิปัสสนูโดยที่ไม่รู้ตัวนะก็หลายคนที่คิด่าตัวเองเป็นผู้พิเศษเนี่ยบางท่านนี่หลวงพ่อท่านเล่าอันเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยรู้แจ้งหมดแล้วแล้วก็มาบอกให้หลวงพ่อกราบด้วยนะทีแรกไปรู้สึกหลวงพ่อต่อมาปฏิบัติใหม่ๆไปรู้สึกหลวงพ่อแต่ว่าปฏิบัติไปนะเกิดวิปัสสนูนะวิปัสสนูเป็นอุปกิณเลสชนิดหนึ่งนะวิปัสสนูปกิเลสนะเรียกเต็มเล ว, ว่าวิปัสสนูปักกิเลส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 ที่อยากผลักไสหรืออารมณ์บวกที่อยากจะครอบเคลียไฝ่หาไม่ว่าจะผลักไสหรือว่าฝ่หาเนี่ยสุดท้ายมันก็ลงเอยด้วยการเข้าไปเป็นนะเข้าไปเป็นแล้วก็ถูกมันครอบนะสติเนี่ยเมื่อเมื่อเห็นนะมันช่วยทาให้วางได้ทำให้วางนะวางความคิดวางอารมณ์นั้นได้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 การปล่อยวางแบบนี้อยู่เป็นครั้งคราวนะเวลาเราโมโหแล้วเราเกิดสุดตัวขึ้นมาเออมันหายไปเลยอันนี้เกิดขึ้นได้ในเชื่อประจําวันแต่ว่ามันไม่แน่ไม่นอนนะมันเป็นความฟุกก็ได้จนกระทั่งเรามาปฏิบัตินะสตินี่มาช่วยทําให้เราวางวางไดเ้เวลาดูกายก็เห็นกายว่าเป็นกา ย, นะ เ, ยเห็นว่ากายสักแต่ว่ามีอยู่อย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่สาธัเมื่อสักครู่เนี่ย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 รักษาป่ารักษาด้วยใจปล่อยวางนี่ทาได้นะคือระหว่างที่ทำกิจก็ทำจิตไปด้วยนะสอนหนังสือก็สอนด้วยใจที่ปล่อยวางได้นะก็คือใจอยู่กับปัจจุบันอดีตกับอนาคตก็วางลงนะอันนี้มันทำด้วยใจที่ปล่อยวางได้นะแต่ถ้าไปเข้าใจว่าปล่อยวางคือไม่ทาอะไรเลยนะไม่รับผิดชอบอะไรเลยอันนี้ไม่ถูกต้องแปลว่าไม่ทำกิจ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 งานาการนี่ทํามีก็ต้องทํานะแต่ว่าใจเนี่ยไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ร้อนใจนี่ไม่ได้วิตกกังวลอะไรนะอยู่กับปัจจุบันล้วนๆนะแล้วก็ไม่ลืมกายไม่ลืมใจด้วยนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจถูกต้องเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคําว่าปล่อยวางนี่เราใช้กันเตอะแล้วก็เข้าใจผิดพลาดมากจนกระทั่งไปเข้าใจว่าคือการปล่อยปละละเลยนะอันนั้นไม่ใช่นะ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 เวลาไฟมันเปลี่ยนแดงเป็นเขียวอก็สามารถจ ะ, ะเลื่อนรถเคลื่อนรถไปไดนะ้อย่างรวดเร็วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจให้ดีนะแล้วก็การปล่อยวางที่ดีนะก็อย่างที่บอกนะมันต้องเริ่มต้นด้วยการมีสติรู้ทันอารมณ์ความรู้สึกหรือความคิดนะแล้ต่อไปเนี่ยเมื่อใช้สติเป็นตาในดู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 น้ำมากมายแค่ไหนก็ถ่ายเทลงทะเลหมดปล่อยวางก็ค่อยๆแบบนั้นแหละคือมันปล่อยวางสู่ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติไปนะไอความอารมณ์ความคิดความสื่อต่างๆไม่มาเก็บไม่มาหมักหมมเอาไว้นะเอาละคำนี้ก็เพืเท่า น, นี้กราบพระ